ห5 5หสัพพะจำมะปฏิเขปะว่าด้วยทรงห้ามแผ่นหนังเรื่องพระฉับ พ, พักขีใช้หนังผืนใหญ่ 255. สมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักขีรู้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามที่นอนสูงใหญ่จึงใช้หนังผืนใหญ่คือหนังสีหะหนังเสือโครง่ง หนังเสือเหลืองแผ่นหนังเหล่านั้นตัดตามขนาดเตียงบ้างตัดตามขนาดต่างบ้างปูลาดไว้ภายในเตียงบ้างปูลาดไว้ภายนอกเตียงบ้างปูลาดไว้ภายในต่างบ้างปูลาดไว้ภายนอกต่างบ้างคนทั้งหลายเดินเที่ยวไปตามวิหารพบเข้าจึงตำหนิประนาม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 เรื่องภิกษุใจบาปขอหนังลูกโคมีภิกษุใจบาปรูปหนึ่งเป็นพระใกล้ชิดตระกูลของอุบาสกใจบาปคนหนึ่งเช้าวันหนึ่งภิกษุนั้นครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเดินไปบ้านของอุบาสกนั้นนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ลำดับนั้น อุบาสกใจบาปนั้นเข้าไปหาภิกษุใจบาปถึงอาสนะไหว้แล้วนั่งลงณที่สมควรอุบาสกใจบาปนั้นมีลูกโครุ่นรูปร่างงดงามน่าดูน่าชมคล้ายลูกเสือเหลืองภิกษุใจบาปนั้นจึงมองลูกโคนั้นด้วยความสนใจอุบาสกถามภิกษุว่าพระคุณเจ้า ท่านมองดูลูกโคอย่างสนใจเพื่ออะไรกันภิกษุตอบว่าอุบาสกอาตมาอยากได้หนังของมันเขาจึงฆ่าลูกโคแล้วถลกหนังมาถวายภิกษุใจบาปนั้นลำดับนั้นภิกษุใจบาปนั้นใช้สังคาติห่อหนังเดินจากไปแม่โคจึงเดินตามภิกษุเพราะความรักลูก ภิกษุทั้งหลายถามภิกษุใจบาปนั้นว่าทําไมแม่โคจึงเดินตามท่านเล่าภิกษุนั้นตอบว่าผมเองก็ไม่ทราบว่ามันเดินตามมาเพราะเหตุใดพอดีสังาติของภิกษุใจบาปนั้นเปื้อนเลือดภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสังาติผืนนี้ท่านห่ออะไรไว้ ภิกษุนั้นจึงบอกเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบ พ, พวกภิกษุถามว่าท่านชักชวนให้ฆ่าสัตว์หรือภิกษุนั้นกล่าวว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายบรรดาภิกษุผู้มักน้อยละตำหนิประนามโพนธนาว่าช่ไห น, นภิกษุจึงชักชวนให้ฆ่าสัตว์เล่า พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิการฆ่าสัตว์ทรงสันเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์มิใช่หรือแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบเรื่องทรงห้ามใช้หนังโคเป็นต้นลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสง์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ ทรงสอบถามภิกษุใจบาปรูปนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอชักชวนให้ฆ่าสัตว์จริงหรือภิกษุนั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าขาพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคะบุรุษฉไหนเธอจึงชักชวนให้ฆ่าสัตว์เล่าโมคะบุรุษเราตำหนิการฆ่าสัตว์ สันเสริญการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์โดยประการต่างๆมิใช่หรือโมคบุรุษการกระทำอย่างนี้มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสละครั้นทรงตาหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุ ไม่พึงชักชวนให้ฆ่าสัตว์รูปใดชักชวนพึงปรับอาบัตตามธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงใช้หนังโครูรปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายหนังอะไรก็ตามภิกษุไม่พึงใช้รูปใดใช้ต้องอาบัตทุกกฎ